ครับเย็นนี้มีนัดไปไหนหรือเปล่าครับทําไมล่ะคือพอดีผู้กองนะเขาบอกว่าถ้าทําให้เดินทางไปต่างจังหวัดก็จะนัดผมไปดื่มกินกันนะฮะที่ไหนอ่ะก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับถ้างั้นเธอต่อสายถึงผู้กองทีสิเดี๋ยวฉันจะพูดกับเขาเองอุ้ย อ, อะไรตกใจอะไรท่านจะนัดผู้กองเหรอฮะทำไมจะนัดไม่ได้ผู้กองจะไม่กล้ารบกวนท่านละมังฮะคนของเขาอยู่กับขานก็ลองปฏิเสธดูสิฉันจะส่งเด็กคืนไปให้เขาทันทีเลยท่านท่านจะทำอย่างนั้นนะฮะ <laughs> ดูเธอนะือพูดแค่นี้ก็กลัวจนหัวหดซะแล้วแล้วอย่างนี้จะช่วยงานฉันได้มากแค่ไหนล่ะฮะแต่มันคนละเรื่องกันแล้วนะฮะก็เหมือนกันนั่นแหละงานของฉันก็ต้องพบปะประชาชนฮะพบปะชาวบ้านมากด้วยนะเธอต้องทําอย่างฉันสิเอาอย่างฉันให้ได้ฉันจะปั้นเธอขึ้นมาร่วมทีมให้ได้ขอบคุณท่านครับอืมอ่ะต่อโทรศัพท์ถึงผู้กองเร็วครับเอ่ะครับคบจะโทรเร็วนะครับท่านอื เช็ครับผู้กองเออว่าไงตกลงท่านไม่ได้ไปไหนใช่ไหมแล้วเราไปด้วยกันใช่ไหมล่ะเออเกิท่านอยากจะคุยด้วยนะผู้กองท่านนายยกเลยนะด้วยจะคุยกับฉันนะนะครับมีเรื่องอะไรหรอไม่ทราบเหมือนกันฮะเดี๋ยวนะครับผู้กองผูอ ย, อยกขูโทรศัพท์ให้ท่านนะเอออ้าวคุยก็คุยไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะเออตกลงครับนี่ฮะผู้ ก, กองอยู่ในสายแล้วครับท่านอืมขอบใจนะผู้กองเหรอครับ ท่านมีอะไรให้ผมรับใช้ครับท่านโอ้ไม่มีหรอกแล้วเอ่อพอดีนายยิ่งถามฉันว่าเย็นนี้มีนัดไปไหนหรือเปล่าฉันก็เลยถามกลับไปว่าถามทําไมมีธุระอะไรหรือเปล่าแกก็บอกกับฉันว่าพอดีผู้กองนัดไว้ว่าถ้าฉันไม่ได้ไปไหนก็จะชวนไปดื่มกินกันอย่างนั้นใช่ไหมผู้กองอ๋อใช่ครับท่านแต่ไม่เป็นไรครับท่านถ้าท่านมีธุระจะต้องให้นายยิ่งไปด้วยกรณีของผมก็ตัดทิ้งไปได้เลยครับท่านโอ้เปล่าเลยไม่มีธุระอะไรที่ไหนจะไปหรอกผู้กองงั้น งั้นพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์าหก็เลยลองชวนผู้กองออกต่างอย่างหวัดกันไหมเป็นเกียรติอย่างสูงครับท่านว่าแต่ว่าจะไปไหนกันดีครับป้าจะไปพักที่หัวหินดีไหมท่านไม่ได้ไปอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับเปล่าผมไปส่วนตัวมีบริการวิ่งหน้าตามหลังอย่างละคันเท่านั้นเองแต่ถ้าผู้กองไปด้วยก็ขับตามหลังผมมากก็ได้นี่นะเอ่อจะไปตอนไหนดีครับเอ่อมาหาท่านเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมได้ครับผมงั้นรีบมาเลยนะครับท่านเออ ผมกับนายยิ่งศักจะรอยอยู่ที่ทำเนียบครับท่านขอบพระคุณท่านมากครับแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันครับท่านสวัสดีครับท่านอือวัอดี ทีไปหัวหินเหรอฮะอืมใช่ใ ช, ชวนผู้กองไปด้วยเหรอครับใช่ถ้ามีประชุมที่นั่นเหรอฮะเปล่าฉันไปส่วนตัวก็อยากจะฉลองให้เธอไงเอ๊ะฉลองให้ผมเนื่องในโอกาสอะไรหลหรฮะปุ๋ยไม่ออกเลยนะครับลืมไปแล้วหรือไงเธอเพิ่งรับพระราชทานบริญญบัติสาขากเกษตรศาสตร์มาหมัดๆนะซเอ๋อครับครับจบการศึกษามาทั้งทีมันต้องหลินฉลองกันหน่อยจริงไหมในกรุงเทพนี่ก็ได้นี่ฮะมันจำเจนะอ่ะ เห็นจนเบื่อกันแล้วอยากจะไปรีแรดทมั่งฮะฉลองให้เธอแถมได้เที่ยวด้วยพอนคลายวันหยุดสุดสัปดาห์ไงอ๋อครับแต่ว่าท่านครับคือผมยังไม่มีชุดใส่เลยนะฮะและผมก็ยังไม่มีเวลาไปหาซื้อที่ไหนด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เลขาโทรไปที่โรงแรมหัวหินนะให้ทางนู้นเขาเตรียมไว้ให้เลยไม่ต้องห่วงทุกอย่างสะดวกสบายไร้กังวลใดๆทั้งสิ้นเออทาได้เหละครับท่านอ้าว เรื่องแค่นี้จะทำไม่ได้แล้วจะให้เป็นผู้นำประเทศได้อย่างไงจริงไหมออมันก็จริงขอท่านนะฮะยิ้มได้หรื อ, อยังได้แล้วครับนายแล้วด้วยครับท่านนี่แหละที่เขาบอกว่าถ้าเป็นคนดีจริงนะ่ะไม่ต้องกลัวใดๆทั้งนั้นนะเออคนดีนะตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมนะจาไว้นะยิงสังครับท่าน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 ชีวิตของเธอสุดทุกเพียงใดอยู่ตรงนั้นเธอลำบากไหมใจฉันยังเป็นของเธอคืนที่เธอหนาววันที่เธอเงาเธอจะปวดร้า Just a i e c e ที่เธอเหงาเธอจะปวดร้าวจะเจ็บสักทีไหนเมื่อเธอออนไลาเสียใจและร้องไทยจะมีไหมใครอยู่เป็นเพื่อนเธอทุกๆค่ำคืนก็ยังคงคิดถึง I'll a l e h e r t t e r e ที่ไม่มีใครได้จะนอนมองููนอนใบเดิมเธอเคยนอนวันนั้ น, นใจเก็บมันให้อยู่ดังเดิมอยากมไปจนตาย แม้ว่าบนเตียงจนไม่มีใครแต่ก็เหมือนมีเธอข้างกายกอฉันเบาๆเหมือนเคยเพียงได้กลิ่นหอจะมอานใบเดิมที่เราต่างธ็ร่วมฝันแค่ได้กิดถึงกันก็สุขใจ ความรักคืองความรักทเคยจะจางหายไปถึงไฟฟม่ว่าวเวลามันจะนานเท่าไ คิดถึงกันก็สุขใจปิ่นของความรักปินข ง, งความรักไม่เคยจะจางหายไปถึงแม้ว่าวันเวลามันจะนานจะเทาก็มีเธไม่รักใครเป็นคองความรักปินข ง, งความรักมันยังเตอยู่ในหัวใจหอมยิ่กว่าน้ำหอมของใครคนไหน ไม่มีแค่แทนที่เธอแต่เมื่อวันที่เธอจากฉันไปไม่มีคืนไหนที่ฉันไม่ก็ถึงเธอยังรักยังเป็นห่วงเธอไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนในทุกลมหายใจ ชีวิตเราต้องมีช่วงที่ดีและร้ายอาจมีใครมากมายที่ร่วมสุตอตอนที่ทุกใจมองหันไปไม่เคยเจอใครมีเพียงสเราเท่านี้แลถชีวิต พยายามดินรอนคนหาเรื่อยไปกับอะไรที่เป็นของนอกายแต่จะมีสักกี่คนเข้าใจว่าความรักนั้นไม่ต้องการอะไรมากว่าใจกับใจที่ให้กัน้างที่คนเราเหมือนฉันหนื่ย ยังดึงคำว่ารักคำนั้นความรู้สึกนั้นคสนั้นมีค่าสา จะได้รักกันกว่าที่เราจะมีคำว่าเราเก็บเอาไว้สิ่งเหล่านั้นอย่าให้มันลบเลื ก, ก็จะมีสักกี่คนเข้าใจว่าความรักนั้นไม่ต้องการอะไรมากกว่าใจกับใจที่ให้กันบางทีคนเราเหมือนจะลืมมันไป อะไรจะมีควา ม, มหมายแล่สำคัญ อ, โโโอย่าลืมคำว่ารักคำนั้นอย่าลืมความรู้สึกนั้นคาสาคัญนั้นมีค่าอยาสีไว้ให้ดีอย่าลืมคำว่ารักคำนั้นที่เคยบอก นนั้นคําสําคัญนั้นมีค่ารัทษาไว้ให้ดีย่าลืมคำว่ารักคํานั้นที่เคยบอกกันแลกันเพีงกค่คืนละวันได้เลยผ่าอย่ามองคำบางสิ่มองคำบางอย่างยันคำว่ารักคํานั้นนึกถึความรู้สึกนั้นคนสําคัญและมีค่า So I hate it. ติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัยนำเสนอโดย Nation Entertainment ถาสมัยก็แค่อยากรู้ว่าเป็นยังไงโดนยุงถามตายหรือยังก็เท่านั้นแหละค่ะเธออยากให้ยิ่งตายจริงๆแล้วดาอุ้ยท่านกำลังจับผิดอะไรดาหรือเปล่าคะจับผิดอะไรล่ะก็ไม่รู้สิค่ะก็ทำคำถามของท่านแต่มันแปลกๆนะคะไม่มีอะไรล็อกเธอก็คิดมากไปได้ก็จะไม่ให้ดาคิดมากได้ยังไงคะก็ท่านพูดมาอย่างนั้นน่ะเหมือนท่านกําลังคิดว่าดาเป็นคนแกล้งยิ่งสัก์จนแกต้องติดคุกทั้งๆที่ไม่ใช่ความผิดของแก แต่ดาเป็นคนผิดเองที่เข้าไปในห้องนอนของแกนะคะฉันยังไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะดาก็ท่านาตอนนี้ยิ่งมาอยู่ที่นี่แล้วเธอน่าจะดีใจที่สุดแล้วนะดาท่านเห็นไหมเห็นไ้มเห็นมิคะท่านขาเหนอะไรอ่ะก็เห็นขาตัวเองกับขาของเธออีกสองขาไม่มีท่านขาสักหน่อยท่านน้ำเนี่ยแล้วเชียนพูดไปจริงอ่ะฮะจริงค่ะแสดงว่าเลยยิ่งไม่อยู่เธอไม่มีความสุข แต่ถ้าได้ยิ่งอยู่ละก็เธอจะมีความสุขมากนี่นเหระะออ้าวแล้วจะเอาอย่างไรล่ะไม่อยู่เธอก็บอกว่าไม่มีความสุขไทยกลับมาอยู่ด้วยกันเธอก็บอกว่าไม่มีความสุขเหมือนกันแล้วจะเอาอย่างไรกันล่ะเนี่ยฮะก็ดารู้สึกไม่ดีเนะะี่ยค่ะพอดาเขาไม่อยู่ไม่ทันไรเลยในยิ่งอก็โดนไล่ออกไปนะสะเิเอเอาเรื่องมาแล้วปล่อยแล้วพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรวิญญาณคุณหญิงจะจะอะไรกันน ะ, ะจะอาคาดาไหมคะโอ้ยไม่ล็อก ความสุขของเราสอคนคุณหญิงเธอเข้าใจดีแต่ในยี่เน่ยเป็นลูกรักของคุณหญิงนะคะท่านขาก็รู้แต่ตอนนี้คุณหญิงตายไปแล้วนะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปเอ่ยถึงให้อารมณ์เสียคือว่าดาทำอย่างสบายๆเธอะอะแล้วเรื่องของเราละคะท่านขาเรื่องอะไรอีกล่ะฮะเรื่องที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันไงคะท่านไม่อยมอมจัดการให้เรียบร้อยสักทีหนึ่งหรือ ลุกเจริกว่าท่านจะเบื่อดาแล้วคิดว่ากันกทีหนึ่งอย่างนั้นหรอเปล่าสักหน่อยฉันไม่มีใจกุศลขนาดนั้นเลยนด้ดาถ้าอย่างนั้นก็สมควรแก่เวลาที่เราจะไปจดทะเบียนสมรสกันนะคะได้สิเมื่อไหร่ล่ะเป็นพรุ่งนี้เล ย, ยงไงคะอ่าได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนมาที่บ้านเลยจะได้ไม่ต้องบุกไปที่เขตไงเจ้าอย่างนั้นเลยค่ะท่านจัดดีม่ะ วิดีมากๆเลยค่ะพระน่ า, นานรักที่สุดในโลกเลย <c oughs> ขอหอมแก๊บฟอตใหญ่เลยนะคะอืมชื่อใจและเกิน น, นั่นรู้อะไรไหมรู้อะไรคะเครื่องเพชรของคุณหญิงอยู่ไหนในห้องนอนของยิ่งศักดิ์ก็ไม่มีคุณถามทําไมอา้าวพรุ่งนี้ฉันจะจดทะเบียนสมรสกับท่านแล้วฉันก็จะได้เป็นพญายาถูกต้องตามกฎหมายของท่านเพราะฉะนั้นทรัพย์สินเงินทองของคุณหญิงก็ต้องตกเป็นของฉันซึ่งเป็นพญาใหม่ของท่านแล้วคุณถามท่านหรื อ, อยังล่ะคะใครจะกล้าถามล่ะก็คือว่างั้นป้าเนี่ะ คุณไปถามมันฉันหน่อยสิว่าไงนะคะคุณคุณใช่อีชั้นไดขึ้นไปถามพวกเครื่องเพชรของคุณหญิงท่านแล้วเหรอใช่ไม่เอาเหรอคะทาไมโดนไล่ลงมาแทบวิ่งไม่ทันสิคะคุณอืมขนาดนั้นใช่จริงๆนะคะคุณคุณหญิงนะท่านรักมากเป็นคู่ชีวิตกันมายังไงก็ไม่มีวันยกเพชรนินจินดาของคุณหญิงให้ใครเด็ดขาดยกเว้นอยู่คุณเดียวเท่านั้นใครหรอ คุณยิ่งศักไงล่ะคะอะไรนะป้า้ยป้านี่้วเธอใหญ่ละเปล่ปานะคุณครึ่งเพื่อจะตกเป็นของนายน ย, งงนานายิ่งศักได้อย่างไงหรือเมื่อนายยิ่งศักนะ่ะไม่ได้เป็นลูกแท้ๆของท่านกับคุณหญิงนี่นะแต่คุณอย่าลืมว่าคุณหญิงท่านรักแล้วก็เอนดูคุณยิ่งศัก เหมือนลูกแท้ๆมานานแล้วนะคะแล้วไงไม่แล้วไงหรอกค่ะเพียงแค่อยากจะบอกคุณจันสุดาว่าคุณหญิงก่อนตายได้ทำํำพิธีกรรมยบสมบัติให้ใครมั่งแล้วทุกคนก็ได้รับกันไปหมดแล้วเครื่องพิธีอของคุณหญิงนีจยใครได้ไปเท่าที่รู้นะคะคุณยิ่งศัก์เป็นผู้รับมรดกมากกว่าครึ่งหนึ่งไงคะอุ้ยนี่ยบให้ขนาดนั้นเลยเหรอค่ะคุณเลาะฟุ่งสร้านได้แล้วนะคะยังไงยังไง คุณก็ไม่มีวันได้สมบัติของคุณผู้หญิงแล้วค่ะเจ้าเล่ห์เพทุบายขนาดนี้หมดสิทธิ์แน่ oh, คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากละครที่จบไปนี้โปรดเขียนข้อคิดของท่านโดยทางไปสนียบัตดโดยจดหมายมาหาเราได้ที่